พราะพระกระอยประจําหมู่บ้านของเขาเขาก็เลยทําบุญทั้ง9ดับที่ผ่านมาเน่ยเดือน9ดับแปลว่าแล้วก็เดือน10เพ น, เ, นเดือน10เพนคือวันพระข่าวหน้านครั้งหน้า เ, เป็นวันจบ2เดือนพอดีนะลูกหลานนะเข้าพรรษามาสองเดือนพอดีถ้าวั น, นพระหน้า เ, เดือน10เพน พราะเดือนสิบเอ็ดเพนอีกเดือนหนึ่งต่อไปนะั่นก็เป็นวันออกพรรษาและกักรถินของพวกเราก็เป็นวันที่แปดพฤศจิกาปีนี้เนาะเป็นวันที่แปดเป็นกรถินสามัคคีนะต่อจากนี้ไปก็นำไหว้พระสมาทานศีลอย่างพวกเราเคยทำทุกครั้งที่ผ่านมาเอาหันหน้าไปทางพระประธานนะลูกหลานเนะ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 พลในสุดกว็วกปนเวียนมหาที่เก่านี่นะวิชาทางโลกเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อพูดเมื่อวานแล้วก็หลวงพ่อพูดไม่ไม้เรียวสอนคนให้เป็นคนดีหลวงพ่อเล่าชาดกนิทานให้ฟังนักศึกษาใครดื้อนักเรียนใครดื้อด้านไม่ยอมฟังทิศาปาโมกสมัยก่อนเขาเอาไม้เรียวชัดหลังเลยน ะ, ะเขียนเลย ออไม่ได้ลูกไม่ได้เลือกว่าลูก เ, ออเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไม่รู้ว่าลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ไหนถ้าใครทําผิดก็คือเพชร อ, อ, อ, อ, อาจารย์ที่ิศปราโมกอาจารย์แท่หวดหลังเลยเอหลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่จากนั้นก็ได้ทอดผ้าป่าหลวงพ่อที่แรกหลวงพ่อเนี่ยคุณปอนั่งอยู่ที่นี่นะเ อ, อ้ยปอหลุงพ่อไม่มีตังค์นะเว้ย เอาสตังค์ไปให้หลวงพ่อหน่อยนะปอไปไม่ไปครับเออเอาไปเอาไปไปที่ไปเจอกันอยู่ที่งานแล้วก็หลวงพ่อขอหยิมสักแสนหนึ่งนะปอขอไปแสนหนึ่งพอไปเห็นนักศึกษาเป็นหมื่นเดินโอเงินแสนหนึ่งเอามาให้คนเป็นหมื่นมันคนได้กี่สตังค์วะวะเอ่อเอามาเอกนะปอนะเอออีกสักแสนหนึ่งปอก็เลยไปหายืม เพื่อนๆ อ, อยู่แถวอุดรมั้งปอผมเอามาเผื่ออีกแสนหนึ่งนะหลวงพ่อเป็น300แสนเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูๆก่อนพอมาทอดก็มาได้เงินล้าน2แสนกว่าบาทนะล้าน2อแสนกว่าบาทแต่ก็ยังไม่ได้นับพวกต้นต้นผ้าป่านะแต่ต้นผ้าป่าดูๆแล้วก็เป็นใบใบใบแดงคือใบร้อยกับใบ20่สิมากกว่าเราคงจะไม่มากเท่าไหร่หลวงพ่อว่านะ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 ช่วยเหลือชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่องค์หลวงตาในช่วงที่บ้านเมืองคับขันในช่วงนั้นหลวงตาก็อายุถึง80เกือบจะ90อยู่แล้วนะเกือบจะ90ะหลวงตาออกเป็นเทศนนาว่าการโครงการผ้าป่าช่วยชาติข่าวนั้นหลวงตายิ่งกว่าเราอีกตลอตลอนไปทั่วประเทศไปหลายจังหวัด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 เราจะดูซิว่าเมื่อเราไม่ทานอาหารใจของเรามันจะเพิ่มอย่างไงโมโหโกธาอย่างไรอันนี้ก็คือศินข้อที่6ข้อที่7ข้าวไปเจ้าจะไม่ฟังเสียงร้องรําทําเพลงเราไม่ทําเพลงเองไม่ร้องเพลงเองและก็ไม่ฟังเสียงวิทยุโทรทัศน์ร้องรําทําเพลงข้าวไปเจ้าจะไม่อ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 เราจะรักษาศีลเพราะรักษาศีลนั่นนะคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาศีล เ, เราจะมีโทษได้ยังไงเพราะ เ, าเราไม่เด็กไปกระทำความชั่วเสียหายอันนี้แหละคือศีลสีเลนะสุ ข, ขติงยันติผู้จะไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยศีลสีเลนะโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติ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 เป็นความจริงจริ ง, ร ง, รงเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจริงจริ ง, รงมันสำเร็จแล้วด้วยใจจริงจริงนี่แหละมันรู้้วยใจนะขณะทจายญาติโยมลูกหลานนี่หลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดว่ามีที่สิ้นสุดจบลงที่ใจถ้าวิชาอย่างอื่นนะเรียนไม่จบนะ เ, เรียนย่คณิตศาสตร์กับยาวเหยียดแพทยศาสตร์ไม่รู้